ากิจการตรวดเนก็คือการฟังคำเช่นเดียวกั น, นการฟังคำโดยตรงจากพกระพุทธเจ้าเราอาจจะเคยไม่ทันในสมัยที่พระพเจ้าจมีชีวิตแต่การสวจมงินในบทรสรวจมงินต่างๆแล้วก็รู้ความหมายรู้ตำราสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการฟังคำนั่นแหละนะไม่ได้แตกต่างไม่ได้แกจะต่างจากสมัยพุทธทกาลเลยนะักชาติ เรามีสติปัญญาพร้อมดีพอการสวดมนต์ก็จะทำให้เราได้ทราบถึงถึงคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเราเทียบเคียงดูคำส อ, สอนอต่างๆซึ่งเป็นความจริงที่จะดวยไว้ถ้าเราเอามาปฏิบัติได้มันก็จะเกิดผลได้ไม่จำกัดการเช่นเดียวกัน ทางสายกลางหรือถ้าภาษาพร ะ, ะเรียกว่าอาริยมรตมีองค์แปดทางแปประการซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงขึ้นความค้นทุกข์ได้พระพุทธองค์ท่านประัดไว้เมื่อเกือสองพันหร้อยปีแล้วนะตัดไว้ในทางเส้นนี้เป็นทางที่ที่จริงมันก็มีมานานเลิ่อนมานแล้วแหลนะแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ทางมันลกลุกมรังนะเหมือนกับอยู่ในป่าแล้วก็ไม่รู้ว่าทางออกจากป่าเป็นเส้นไหนพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนเป็นคนที่หลงอยู่ในป่าแต่ไม่รู้วิธีการที่จะออกจากป่าพระพุทธองค์ก็เป็นเพียงแค่บุคคลแรกซึ่งพยายามค้นหาหนทางในการออกจากป่าให้ได้และวท่านก็ค้นพบทางสายนี้นะที่เรียกว่าทางสายกลาง คนพบแล้วแล้วก็เดินออกไปแล้วแล้วถึงมาประกาศมาบอกต่อว่าให้เดินตามทางตรงนี้นะักนะถ้าคุณเดินตามทางตรงนี้คุณจะออกจากป่าออกจากความลงออกจากความทุกข์ได้ทางทั้งแปดประการเนี้ยที่จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแปดสายนะแต่มันเป็นเรื่องสายเดียวเนี้ยแหละซึ่งมาประกอบด้วยองค์แปดประการเนี่ ประกบอบด้วยองค์ธรรมแปดอย่างที่สําคัญสําคัญแต่ถ้าจะว่าเดี๋ยวย่อนจริงก็จะเป็นเรื่องเรื่องของศิลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละนะสมาธิจิตสมาสังปาปะการเห็นชอบการคิดชอบนะมันเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาในการที่เรียกว่าเห็นความจริงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือทุกข์นอ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 อยู่ที่อุปทานการยึดมั่นถือมั่นความอยากนี่แหละมันทําให้เกิดเป็นความทุกข์พอกลับมาเห็นความอยากความยึดมั่นถือมั่นหรือเห็นธรรมชาติของความทุกข์ที่แท้จริงของกายและใจที่เราไปยึดถือขันนี่เองน่ะเราก็จะวางเน่ะมันก็จะวางความทุกข์ได้ผลของการไม่ทุกมันก็เกิดขึ้นทันทีมันก็เป็นการเดิน ตามอริมัสมีองแปดประการโดยสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนี่คความเห็นความเห็นชอบนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือ เ, เรื่องของปัญญานะปัญญายในการที่เห็นถูกต้องเนมะื่อมันเห็นถูกต้องแล้วนะต่อไปมันก็เรียกว่ามันก็เข้าใจสิ่งต่างๆไปทั้งหมดเนะมื่อเห็นถูกมันก็คิดถูกนะคิดในทางที่เรียกว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ปองร้ายคนอื่นนะไม่พยายาม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 หน้าหมกมุ่นใช่ควรหน้าที่จะเรียกว่าเกิดกลัวอยู่กับเขาอย่างไม่รู้จักเบื่อเพราะมันก็จะเห็นว่ามันก็สุขบ้ามันก็ทุกข์บ้ามันก็ยังดีนะเราก็หมกมุ่นแบบนั้นนะมันจะไม่เบื่อนายใครกําหนัดยังไม่เบื่อจากความที่รุ่มโรงในโลกใบนี้เนาะบางทีพวกเราอาจจะรู้จักความเบื่อแต่บางกินเป็นความเบื่อที่เกิดจากแค่ว่าคล้าย อาจจะไม่ได้ของดังที่ดังใจหรือว่ามีอะไรมาทําให้เกิดเป็นความรําคาญใจมันก็เลยเกิดเกิดเป็นความเบื่อเนยแต่มันเบื่อแล้วมันหน่ายมันหน่ายแค่ชั่วคราวมันหนายคนอื่นมันหน่ายสิ่งภายนอกแต่ถ้าเบื่อหน่ายในทางทำจริงๆนะมันจะเห็นสภาวะไรอาจารย์ต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาตรงนั้นมันเห็นอะไรต่างๆมันก็เหมือนมันืดมัชืด มันเห็นถึงความไม่มีสาระไม่มีแกนสารในสิ่งต่างๆมันถึงจะเกิดมีความเบื่อหน่ายมันถึงจะทายตำหนิจริงๆมันจะเห็นได้ว่าอะไรต่างๆมันก็เป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นไปยึดมั่นสําคัญหมายไม่ได้หรอกอะไรต่างๆมันก็เป็นจริงแค่อาการธรรมชาติธรรมดาของมันจริงๆเนี่ยจิตใจมันจะเริ่มเข้าสู่ความเบื่อหน่าย เมันเห็นว่โรคนี้นโรคคือกายวิตใจของเราเองก็ดีโรคคือสภาวะภายนอกเองก็ดีมันเป็นสภาวะที่มีแต่สิ่งที่น่าเมื่อ น, น่ายจิตใจมันก็จะเกิดความปล่อยวางการคลายการยึดมั่นถือมั่นการหลงผิดการสนุกสนานเพื่อเพลินในโรคนี้พอจิตใจมันเกิดสภาวะตัวนี้นะมันก็จะมุง่งมันก็จะมุ่งมั่นที่เรีว่า จะออกจากทุกข์ให้ได้แน่นอนเนี่ยเพราะว่ามันรู้แล้วสิ่งต่างๆที่เราเคยหมุ่มุ่นมาหลายสิบปีหรือหลายภบหลายชาติที่ผ่านมาเนี่ยมันเกื่อกลั่วแต่กลับเริ่มสุกเรื่องทุกข์เรื่องที่ไม่ใช่แก่นสารนั้นมันมีแต่ว่าเจอเออเราเห็นทางแล้วพยายามที่จะเดินออกจากทางตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่แปลกนะจิตใจคนที่เบือเบ่อหน่ายเบื่อหน่ายเรื่องของ โรคต่างๆนะแต่มันจะมีความสุขเข้ามาแทนที่ใจหนึงมันเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระแต่อีกใจหนึ่งที่ลึกลงไปข้างในมันกลับมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจที่เห็นว่าแก่นสารของชีวิตที่แท้จริงมันคืออะไรนะมันเห็นสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายแต่ภายในใจมันมันเติมเต็มมันเอิบอิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเอบอิ่มเพราะว่าเห็น ความจริงเห็นธรรมะนะมันมีความสุขขึ้นเรื่อยๆมันมีปิติรอเลี้ยงในใจิตใจมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเหมือนจะขัดแย้งกันแตจริงมันสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะในพักในสภาวะอาการสภาวะธารมที่ถ้าเราปฏิจจบัติไปเรื่อยมันก็จะเข้าใจอาการตรง น, นี้แค่นะ น, นี้แหละมันเป็นความความคิดก็เกิดในทางที่ชอบความเร็งก็เกินทางที่ชอบเมื่อเป็นเช่นนี้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 ถ้าถือศินเช่นนั้นก็แปลว่าเิ็นถือศิล อ, อย่างที่เรียกว่าศิลธรรพัฒน์ตัปามาสก็คือการยึดมั่นถือมั่นในศิลวัดหรือบางทีเราก็ไปสร้างข้อวัด ส, สร้างแบบฝึกหัดอะไรบางอย่างให้มันพิเศษให้มันเหนือกว่าปุถุชนคนธรรมดานะแต่ถ้าไปสร้างไว้เพื่อการยึดมั่นถือมั่นแล้วนะมันก็เป็นศิลธรรพัฒตัปามาสเท่านั้นแต่ การที่เรารักษาถิ่นก็ดีการที่เรามีข้อวัดอะไรต่างๆก็ดีถ้าเป็นไปเพื่อรู้ว่าเป็นไปเพื่อขัดเกลื่อ น, น, น, นรู้ว่าเป็นไปเพื่อโทรมานรู้ว่าเป็นไปเพื่อเดินไปสู่ทางที่จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอันนะ้ถูกต้องไม่เป็นไรถือถิ่นเพื่อรักษาใจให้เป็นปกตินะถือข้อวัด ป, ปฏิบัติอะไรต่างๆก็ได้แต่นะ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 ดำเนินอัจศจรรยมาฐานโยคคือการทรมาณโนให้ลำบากแต่อดเพื่อจะเรียนรู้ว่าจิตใจในสภาวะที่อดอาหารเป็นเช่นไรจิตใจแยกจากร่างกายได้หรือเปล่าแบบนั้นไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญทุทธศิริยานะบางคนอาจจะตั้งใจลองดูลองเนสจิ๊กลองไม่นอนสักคืนหนึ่งสองคืนดูมันเป็นเช่นไรไนะ ถ้ใจิตใจเราสามารถอยู่อย่างไม่ทุกข์ไม่กระตับกระส่ายได้อันนั้นเรียกว่าไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญทุกขกรรกิริยานะแต่เป็นการเรียกว่าขัดเกลากิเลสบางตัวให้มันเรียกว่ามันเบาบางลงนะก็สามารถทําได้แต่ถ้าบางคนทําไปแล้วมันอาจจะอาจจะเกิดความทุกข์หนักมากกว่าเก่าหมายถึงว่าทุกข์กายด้วยแล้วก็ทุกข์ใจด้วยทุกข์ใจที่ไม่สามารถอยู่กับมันได้อย่างนี้ หรือบางคนก็ไปทําแล้วเกิดความสําคัญมั่นหมายว่าตัวเองดีตัวเองพิเศษตัวเองเก่งนะทนนั้นเป็นการปิดทางเท่านั้นบางทีการบาําเพ็ญข้อวัดต่างๆครับเป็นไปเพื่อขัดเกลาเกทวะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานถือว่าเป็นทางสายการทั้งนั้นนะดั้นการเราที่เรารักษาศีลทางกายทางวาจาทางกิริยาต่างๆหรือว่าศีลทางสังค ม, มหรือว่าข้อวัดต่างๆ ก็ต้องรักษาให้มันถูกนะเป็นไปเพื่อมรักผลมิตทานไม่ใช่เป็นไปเพื่อสร้างอัตตามานะสำคัญว่าตัวเองดีเก่งวิเศษกว่าคนอื่นอันเนี้ยถ้าเรารักษาศีลเป็นจริงๆนะนะมันจะเกิดเป็นศีลที่เรียกว่าปล่อยวางการยึดมั่นผูกมั่นนะเป็นตอนแรก ม, มันก็เป็นการที่เรียกว่าตั้งใจรักษาศีลแต่พอทาไปเรื่อยๆจิตใจมันเป็นปกติ เมื่อจิตใจเป็นปกติกายวาจามันก็เรียบร้อยเป็นปกติของมันเองสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดสติปัญญามันก็จะบอกมันก็จะเตือนมันก็จะสอนมันก็จะเป็นตัวระลือกเองว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํากิริยาอาการต่างๆก็เช่นเดียวกันนะมันก็จะงดเว้นจากการทําจิตสินโดยอัตโนมัติเพราะมันรู้ว่าถ้าทําแบบนั้นแล้วมันเบียดเรียน ทั้งตัวของเราเองทำไปแล้วจิตใจก็ก็้าหมองทำไปแล้วคนอื่นก็ได้รับผลของการเด็ดเดียวได้รับทุกข์ได้โทษจากการทำของเราเช่นเดียวกันมันจะกด้านนักมันจะวิรัก์ของมันเองหรือบางครั้งแม้มันทีมันเผลอมันทั้งมันพลาดไปทำผิดสินโดยไม่ได้ตั้งใจก็ดีมันก็จะรู้จักให้อภัยตัวเองมันรู้ว่าผิดที่มีเจตนาที่ทาผิดนะมันก็ไม่ต้องรับ ผลของกรรมนั้นหรอกนะมันก็เรียกว่ามัทําให้อภัตัวเองได้หรือแม้แต่คนอื่นเป็คนอืก็ทําทผิดกับเราเองก็ดีทำผิดกับคนอื่นก็ดีมันก็อ้โหติดกรรมให้อภัยคนอื่นได้เช่นเดียวกันมันรู้เลยว่าเม่ย้อนกลับไปเห็นที่จริงเราก็เคยหลงเราก็เคยผิดแบบนั้นมาเช่นเดียวกันคนที่เขาทำผิดมันเกิดเพราะความไม่รู้ของเขาเกิดเพราะความหลงของเขามันเกิดเพราะความยังไม่ฝึกหัดจิตใจของเขาเอง เม่อมันเห็นเช่นนีนักนะมันจิตใจมันมีแต่เมตตา ม, ม, มีแต่ให้อภัยไม่มีการพยาบาทจองเวรจองกรรมว่าทำไมเขาทาแบบนั้นทําไมเขาทาแบบนี้ทําไมเขาเป็นคนไม่ดีนะจิตใจเรื่องพวกนี้ยมันจะปล่อยวางง่ายๆแม้บางครั้งแยแรกอาจจะมีความคิดเรื่องพวกนี้แทรกเข้ามาแต่พอเมื่อมีสติรู้เท่าทันนะมันจะตัดความคิดในทางพยาบามตรในทางเบียดเบียนในการจองเวรจองกรรมกับคนอื่นเมื่อมาตัดออกไป จิตใจก็เหลือแต่ความเมตตากรุณาที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะบอกอยากจะสอนอยากจะเรียกว่าเป็นมิตรกับคนที่หลงผิดด้วยกันเท่านั้นนะจิตใจมันจะค่อยเข้าสู่จากสภาวะรำที่เรียกว่ามันมีกิเดสครอบงำกลายเป็นสภาวะคำที่มีแต่สุสลมันมาครอบครองจิตใจนะแต่บางทีมันมีแต่สิ่งที่มันดีๆเกิดขึ้นนะทั้งที่สิ่งที่ไม่ดีมันก็มีขึ้นเดียวกันนะ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 บางช่วงที่มันมีอาการเช่นนี้เราก็ต้องรู้ต้องทันแม้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็วางเช่นเดียวกันจะเป็นความดีขนาดไหนสามารถส่งส่งเช่นใดก็ต้องรู้แล้วก็วางเช่นเดียวกันนะถ้าเราไม่วางสภาวะต่างๆเนี้ยมันเป็นการยึด ม, มั่นถือมั่นแล้วก็มันจะทาให้เราสร้างอัตตา ม, มาหน้าตันตนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมี บาลีบทหนึ่งนะตอนได้มาฟังบทนี้ก็รู้สึกแบบเหมือนโลกใบนี้มันแบบอะไรมันจะว่างเปล่าขนาดนั้นไม่มีอะไรให้มันยึดมั่นถือมั่นอะไรได้เลยเหรอพีบาลีบทหนึ่งต้องบอกว่าสัพเทธรรมานารังอทิเนเวสายะท้องบอกว่าถ้าแปะเป็นภาษาไทก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะก็ไม่ควนยึดมั่นถือมั่น มือนคล้ายๆต่แรกเราปฏิบัติทําไปเนาะต้องพยายามสร้าสตตรงสติสะสมสติให้เกิดคุณธรรมให้เกิดธรรมะภายในจิตใจแต่สุดท้ายท่านก็บอกว่าสัพเทธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงจริงทั้งหลายทั้งปวมนงจะเป็นความดีก็ตามความไม่ดีก็ตามกิเดสก็ตามสุขสนก็ตามไม่ควรยึด ม, มั่นถือมั่นทางนั้นดังนั้นเราปฏิบัติแม้เบื้องต้น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 เมื่อเราล้ลึกแบบนี้ได้ไบ่อยๆของต่างๆเป็นของแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นในกายในใจของเราที่ยังเป็นของชั่วคราวขนาด น, นั้นทรับสิ่งเงินทองสิ่ ง, งต่างๆภายนอกยิ่งเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเช่เดียวกันแม้มันจะดำรงอยู่กับเราในภพชาตินี้ก็ตามแต่เมื่อคนภพชาตินี้ไปแล้วก็มีไปเอาไปได้สักอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันมันจะเห็มเลยว่านะ ม, มันจะมีมันจะมีสติมีปัญญาในการเห็นความจริงนี้การยึดมั่นหรือมั่นมันก็น้อยก็าบางจนกระทางมันไม่มีประมันแต่มันจะรู้จักมีสติปัญญาในการใช้สิ่งที่มีอย่างรู้คุณค่าในการในารทางที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของสติมีเรื่องของปัญญาตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เมื่อเรามีปัญญาในการเห็นตรงแล้วศิลมันก็จะเพิ่มขูนมากขึ้น ควาตั้งใจมั่นจิตมันก็จะมีความสุขมีความสงบมีปิติมีอาการของอุเบกขาเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆนะสภ า, าวะของจิตที่มั่นคงสมาธิ ข, ของจิตที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาในการปล่อยวางเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีปัญญาเนี่แหละอย่างแท้จริงถ้ามันไม่มีปัญญานะมันไม่สามารถปล่อยวางได้มันเป็นจิตที่ตั้งมั่นแต่ยังไปยึดมั่นถึงมั่นอะไรอยู่นะ มันเป็นที่ว่าเป็นสัมมามันเป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิเป็นส ม, มาสตนะิมันจะมีสติมีปัญญาในการเห็นความจริงมีปัญญาในการรู้ความจริงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากทําให้เกิดการไม่ยึดมั่นหรือมั่นในอารมณ์ต่างๆตรงนั้นอันเนี้ยที่จริงเรื่องของอดีมัชยมีองค์แฝงมันถ้าจะพูดแยกอธิบายได้เป็นเป็นเจี๊ยรข้อ แต่ที่จริงทุกข้อมันเกิดขึ้นรวมกันคร้องกันนะเหมือนกับเมื่อเรากำมือแล้วนะเมื่อเรากำมือนิ้วทุกนิ้วก็ประสานรวมกันการกินการปั้นไปทุบอะไรไปป่อยอะไรมันต้องมีพลังอันนี้เหมือนกันอนนี้มักมีอง์ามันก็เหมือนทั้ง8ประการมันบรวมกันอีกแค่สภาวะจุดใดจุดหนึ่งทุกครั้ง ที่มีเตจทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันมันพบคมแต่ประการเลยน ะ, นะอริยมรรคมันจเจริญอยู่แล้วนะจะเดินแต่เพียงแต่ว่ามันจะมันจริญในขั้นที่เรียกว่าขั้นในการผสมความรู้ความเห็นความเข้าใจหรือว่ามันจเจริญจนถึงขั้นเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจเกิดการปล่อยวางแล้วอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึ่งแต่ขอให้พวกเราได้ลองให้ควนลอง ให้ควนในีนี้ไม่ใช่ประการคิดนะให้ควรในการที่จะลองลองทําดูทาเจอทั้งจิตมันมันค่อยๆเห็นความจริงตรงเนี้ยนะความจริงที่จริงๆมันมีอยู่แล้วแหละนะมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่เป็นความจริงที่คนทั่วไปเหมือนเหมือนคนตาบอดเหมืนคนตาบอ ด, นะมนนบอดไม่สามารถมองเห็นสิ่งภายนอกก็มีรูปธรรม มีรูปร่าเช่ไนไรตอนเมื่อตอเมื่อเราไปรักษาดวงตาให้มันหายบอดให้มันสว่างสวัยขึ้นเราถึงจะเห็นว่าอ๋อจริจริงสิ่งภายนอกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วปุถุชนคนธรรมดาคนที่ไม่สุกขาจิตใจก็เช่นเดียวกันเหมือนกับคนตาบอดที่มองไม่เห็นธรมมรมะเขาจะจริงธรรมะ ม, มันมีอยู่รอบ ที่จริงมันมีตั้งอยู่ในตัวแล้วก็อยู่รอบตัวของเราอยู่แล้วเนะี่แต่เพีเยงแต่ว่ากอตาเรามันบอดมันไม่สามารถมองเห็นแสงส ว, วา่างแห่งปัญญาได้นะมันก็เลยไม่เข้าใจธรรมะมันก็เลยจะมีจิตที่เรียกว่ารักขระเขาเกินไปมันก็เลยทําให้เป็นเช่นนั้นแต่จริงพวกเราทุกคนไม่ถึงขั้นตาบอดหรอกนีแต่เพีเยงแต่ว่าเป็นคนชอบดับตาเพินมากกว่า ไม่ค่อยชอบดึงตาในการมองความจริงนะชอบชอบที่จะปิดความจริงไวนะ้ชอบที่จะไปมองในสิ่งที่เป็นทุกข์มากกว่านะเหมือนกับเราถ้าเราหลับตาเราก็ไม่เห็นความจริ ง, ท, งทั้งที่ความจริงภายนอกมันก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมาฝึกสติการเจริญปัญญาก็เป็นการเพียงแค่ลืมตาขึ้นมามองโลกตามความเป็นจริงให้เห็นหรู้ติว่าโรคใบนี้มันเป็นเช่นอะไรนะมันเป็นอย่างไร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 มันมีแต่ของมันมีแต่กิเลสตัณหาทั้งนั้นมามาหลอกมาดอมาค้อบําในรูปในนามนี้แต่พอมีสติเห็นก็กิเลสตัณหาต่งตางๆมันก็ตกไปเช่นเดียวกันมันมีแต่สลับกันไปสลับกันมาเดียเด๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้มันจะตื่นเลยว่าที่จริงก่อ น, นั้นนี้ก่อนที่เราจะไม่ฝึกขัดมันมีแต่ความหลงมาครอบงํา ความหลงมันมาสารพัดมาหลายรูปแบบมากแต่ตัวรู้เนี่ยโอมันนานานานมาทีแต่แม้มัน น, นานนานมาทีแต่มันสว่างขึ้นแวบหนึง่งมันก็ได้ความหลงทุกสิ่งทุกอย่างออกไปได้หมดเช่นแบบเดียวกันมันจะเห็นเลยว่าแรกๆความหลงมันก็มาแบบหยับหยาบมารอกมาล่อถ้าเราไม่มีสติปัญญาแล้วก็ตามไปกับมันลนะกับไอ้ที่มันหยับหยา เมื่อเรามีสติมีปัญญามากขึ้นไอหยับหยาบมาหลอกมาด อ, าอให้เราหลงได้น้อยลงเหลือท่งมันหมดไปมันก็เอาอกิเลสตัณหาที่มันมีหน้าตาที่มันดีๆมารอมาดอกให้เราหลงนะบางคนก็ไปติดในสิ่งที่ดีนะก็ไปหลงกับมันอีกแล้วที่จริงมันเป็นตัวดีในเบื้องต้นแต่ในตัวท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นตัวดอกให้เราติดอยู่กับโรคนี้เช่นเดียวกันนะมันก็ดอ สวรรค์บ้างก็ในการทําบุญทําความดีนะบางคนก็บ้าบุญบางคนก็บ้าความดีบางคนก็ไปยึดมั่นสําคัญหมายแต่เริ่มดีๆอะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นตัวรอดเป็นตัวหอกให้เราติดอยู่กับโลกใบนี้ติดบนสวรรค์ก็ดีนะก็หลงก็หลงเช่นเดียวกันถ้ามีปัญญาก็จะเห็นอ๋อตอนนี้ก็เป็นตัวหลงนะเราก็จะถอนได้แม้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ไปติดแม้ทําดี ก็ไม่ติดดีนะฮะก็จะเห็นจนถึงระดับหนึ่งมันก็เอาเจ้าตัวสิ่งไม่ดีมารออเราไม่หลงสิ่งที่ดีมารออไม่หลงอีกแล้วนะมันก็เอาตัวตัวความรู้ตัวปัญญาตัวความเข้าใจธรรมะนี่แหละเอามาร่อให้เราคิดเอามาร่อให้เราไขว่คว้านเอามาร่อให้เราหลงสําคัญคิดว่าเราเป็นผู้รู้ธรรมะแล้ว เข้าใจธรรมะแล้วใครควรแต่ฐานสนุกสนานในทางธรรมในทางปัญญาก็มีเช่นเดียวกันนะบางทีมันมันมา่อให้กลายเป็นเรียกว่ากลายเป็นผู้รู้ธรรมะเนะียะภาษาพระบางทีท่านใช้เรียกว่าเป็นวิปัสสนนะูวิปัสสนูบางทีเป็นมากๆก็กลายเป็นวิปุราตสสำคัญคิดนะน่ยตรนี้มันก็เป็นตัวที่เรียกว่าทำให้เราหลงคิด จากการเดินทางสายกลางได้ทั้งนั้นเนาะเนี่ยมันเป็นสภาวะทางที่ตัวรอดตัวหลอกตัวดมมันมีเยอะมากมายแต่ต้องไม่ต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้เรากลัวให้เราตกใจนะให้เรารู้ไว้เบื้องต้นก่อนเฉยๆแต่ถ้าเมื่อใดที่เรากลับมารู้สึกตัวได้กลับมารู้สึกตัวได้มันจะรอดมันจะหลอกมันจะหลงขนาดไหนนะมันก็อันตรธานหายไปเช่นเดียวกันนะแม้มันจะกลับมาใหม่ เราก็พยายามสร้างฐานการรู้สึกตัวใหม่กลับมามีสติใหม่กลับมารู้สึกตัวใหม่กลับมาอยู่ปัจจุบันไม่ไปหลงอยู่กับอาการวามความดีของความรู้สะไต่างๆนะสติมันก็จะกลับมาตั้งมั่นเมื่อสติมันกลับมาตั้งมั่นก็เห ม, มือนกับเราก็เดินทางตรงนี้ไปเรื่อยๆเราจังรู้ว่าจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงดังนั้นการจะไปพักไปติดกับสิ่งข้างทางไม่จะย่อยวนไม่จะดีงานขนาดไหน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 มันมีแต่แห้งแรงจากกิเลสนะแต่มันจะชุ่มฉ่ำด้วยธรรมะเข้ามาแทนที่เองของมันนะอยากลัวว่าถ้าปฏิบัติธรรมไปแล้วจะอยู่กับโลกนี้อย่างเรียกว่าอย่างสังกตายยังไม่มีความหมายไม่มีสาระอย่างเป็นคนที่เรียกว่าคล้ายๆคนที่แตกต่างจากโลกเลยนะไม่ต้องกลัวแบบนั้น ถ้าเรามีธรรมะนะเราจะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวาที่สุดเลยอยู่กับโลกนี้ได้อย่างเป็นผู้ที่มีความสุขในการอยู่กับโลกนี้มากที่สุดเลยนะมันจะอยู่เพราะว่าเห็นความจริงพอเห็นความจริงแล้วมันก็อยู่อย่างยอมรับความจริงได้หัวเราะกับสภาวะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับโลกใบ น, นี้ได้หัอเรากับสภาวะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับโลกกับนาม น, นี้ได้นะไม่มีแต่เห็นความจริง มันก็หัวเราะความจริงที่มันปรากฏได้มันมีความสุขในการที่จะไม่ไปติดไม่ไปยึดสําคัญสําคัญหมายอะไรต่างๆมันก็มันจะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างสิง้นผู้ที่มีความสุขที่สุดมีความสุขเพราะว่ามันไม่ทุกมีความสุขเพราะว่ามันเห็นความจริงแล้วไม่ต้องกลัวนัดบางทีทกิเลสปัญหามันจะมารอดให้เราไม่อยากที่จะออกจากโลกใบนี้เราแสนเสียเสียเอารูกรถต่นเสียอะไรต่างๆ เอาอารมณ์สุกอารมณ์ทุกมาล่อให้เราหลงนะถ้ามันจะเป็นเพียงแค่สภาวะอารมณ์ที่เป็นเพียงแค่ภายนอกเป็นเพียงแค่ของชั่วคราวจะไปยึดมั่นสาคัญหมายนันเลยนะเพราะว่ารับผลนิพพานมันบรมมาสุกยิ่งกว่า น, นั้นนะมันเป็นหนทางที่เรียกว่าดับทุกได้อย่างแท้จริงยิ่งกว่า น, นั้นเนาะให้เราให้พยายามทําความเพียร น, นะเรียนรู้ศึกษา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 แต่ไม่ได้มองในฐานะที่มาตำหนิก็จะเองผิดพลาดเองไม่ดีอย่างไรนะแต่มองเพื่อแก้ไขไม่ได้มองเพื่อทําให้เกิดความครากหร้อนเป็นจิตใจตำหนิตัวเองไม่ใช่แบบนั้นตำหนิเพื่อที่จะแก้ไขไม่ใช่ตำหนิเพื่อที่จะเศร้าใจต้องพัฒนาตนแบบนีน้มันถึงจะเป็นเพื่อที่เรียกว่าสนใจธรรมะไปหาธรรมะเราก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจ จะเป็นธรรมะที่มีอย่างไม่ยึดมั่นหรือมั่นนะก็จะเป็นการที่ว่ามีอย่างเรียกว่ามีอย่างไม่เอานะมีอย่างไม่เป็นนะรู้และเปลารู้และเปลา ม, มีแลนะเปลาอันนี้คือต่างๆนะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะเพราะว่าธรรมะมันมีอยู่แล้วเนพะียงแต่ว่าเราไม่ยอมรับหรือว่าเรา ละเลยมันเป็นเคยนะพยายามกลับมามีสติสะสมสติเรื่อยๆจนท่ามสติมันเกิดกลายเป็นปัญญาปัญญาในการเห็นความจริงเข้าใจความจริงที่จริงมันก็ไม่ได้ตุดแค่ปัญญาปัญญาในการเห็นความจริงเข้าใจความจริงแต่จริงเหนือปัญญามันคือความวิมุตส์วิมุตส์ก็คือหลุดพ้นก็คือปล่อยวางเมื่อมีปัญญาแล้วมันถึงเกิดเป็นความวิมุตส์กลายเป็นความหลุดพ้นมันเห็นแล้วมันหลุดพ้น ค้นได้ไนงะมค้นได้เนี่ยคือมันก็มีระดับขั้นตอนของการปฏิบัติของมันอยู่ซึ่งเราก็ดูไว้โดยสภาะวะคร่าวๆแต่ในการเดินทางก็ในการมีสติแต่ละครั้งแต่ละครั้งรู้สึกตัวแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการเดินทางที่ไม่ว่าตรงตามทางอริมัชมีอมแปดอย่างแน่นอนนะการพักก่